ท่านฝังที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสัมมนีสนทนาค่ะรายการที่ทําให้ท่านได้มีความรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสอะไรสอนไว้บ้างที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะกันนะคะตอนนี้เราก็จะมาพบกับช่วงของการตอบคาถามด้วยการนําพุทธวจนะมาตอบเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะนวัสักการกับท่านคะเจมส์พาน ค่ะวันนี้สิ่งที่อยากเรียนถามท่านนะ น, นะคะอืก็คือการด่ากันนะคะโอ้เป็นเป็นบาปเป็นวิบากเป็นกรรมเป็นอะไรหรือเปล่าคะใ<อ>นทางพระพุทธศาสนาแต่ผมว่าการด่ากันนะด้วยเรียกว่าคือมันก็เข้าข่ายของมิจฉาวาจาทีนี้ว่าก็ต้องดูว่าด่าเนี่ยใช้คําหยาบหรือเปล่าถ้าด่าโดยใช้คําหยาบ นะอันนี้ก็คือเป็นวาจาหยับคายคืออันนี้มั น, ม, นมีผลนะคือถ้าเราทําบุญทําสิ่งที่เป็นกุศลก็ตามทําสิ่งที่เป็นอกุศลก็ตามคุณโยมติเราก็จะจะต้องได้รับผลของกรรมแน่นะแทีนี้ถ้าใครที่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรเป็นวาจาธรรมดานะมันก็เป็นต้องได้รับผลแน่มันก็ยังเป็นการสร้างกรรมอยู่ทีนี้กรรมที่ภาษาไทยใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของการติดลบเป็นบาปใช่ไหมเราก็พูดถึงกลางๆแล้วกันอย่างที่พระเจ้าใช้ ทีนี้บางทีเนี่ยด่ากันเนี่ยคือพูดกระทบกระเทียบเฉยๆแต่ไม่ใช้คําหยาบเลยคุณโยมเต๋อเป็นใช้คําที่สุภาพหมดเลยแต่ผมฟังแล้วมันบาดลึกอย่างเงี้ยเป็นนี่เป็นลักษณะของวาจาที่กระทบกระเทบนะเป็นทําให้บุคคลที่ฟังแล้วเนี่ยเฮิร์หนังจากสมาธิอันนี้เป็นลักษณ ะ, <ค>ะของวาจาหยาบเหมือนกั น, นคือวาจาหยาบเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาอย่างเดียว <คะ S 1> การใช้ภาษาบางทียาบด้วย แล้วก็ถ้าถึงแม้การใช้ภาษาจะไม่หยาบแต่เป็นวาจาที่ทําให้เหินจากสมาธิแต่เป็นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนนี้อันนี้เป็นวาจาหยาบทั้งสิ้นเลยเทีนี้มันมีแง่มุมตรงนี้ว่าถ้าเผื่อว่ า, อาบางทีเราชี้โทษนะการชี้โทษกับการด่าเนี่ยบางทีไม่เหมือนกันน ะ, าะบางคนที่เพ่งโทษอย่างเงี้ยเพ่งโทษเนี่ยอาจจะพูดจาสุภาพคือเพ่งโทษนี่ไม่ดีนะพูดจ า, าสุภาพแล้วก็แบบกระแนะกระแหนะ่กระเทียบกระทบกระเทียบเค้า อันนี้เป็นวาจาหยาบนะด้วยการที่พูดกระทบกระเทียบ น, นี่เรียกว่าเพ่งโทษเป็นคนเพ่งโทษในที่นี้ชี้โทษเนี่ยชี้โทษนี่คือหวังการที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยหลุดออกจากอาบัตนะแก้ไขทําให้ดีขึ้นอันนี้สามารถพูดได้ทําได้นะเพราะว่าวาจาของคนพูดเนี่ยก็จะไม่ใช่วาจาที่เป็นไปด้วยความบิดเปลี่ยนแปลงหลักใช่ไหมดันงนั้นก็เลยจะมีความแตกต่างกับตรงนี้เราต้องแยกให้ออกว่าไหนเป็นการชี้โทษไหนเป็นการเพ่งโทษ วาจาหยาบนี่ยังรวมถึงการใช้ภาษาที่สุภาพด้วยนะอย่างนี้ค่ะก็สรุปแล้วการด่ากันไม่ดีการพูดจากันด้วยเจตนาไม่ดีมแม้ว่าจะไม่ได้พูดคำที่หยาบ ก, ก็ไม่ดีใช่ไหมคะใช่ถ้าสังคตทีนี้ด่าคนเนี่ยคะ่ะด่าคนคนเดียวกับด่าคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน น้ำหนักของความผิดบาปมีมากไหมคะกับคนที่ด่าดเป็นคนคนเดียวเนี่ยค ะ, ะการด่าเนี่ยผลอันนี้ส่งที่จะได้เนี่นะอุตส่าห์เสนีก็จะทาให้ไปเป็นนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยทีนี้ผลอย่าง น, น้อยที่คุณจะได้รับในปัจจุบันนี้ถ้าคุณรอดพ้นจากตรงนั้นได้เนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้ที่รับฟังวาจาที่ไม่น่าพอใจได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ นะฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอเพรา ะ, ะนั้นถ้าผมว่าเราด่าคนหลายคนนะด่าเป็นหมู่เนี่ยเพรา ะ, ะนั้นผลกรรมเนี่ยมันก็คือว่าคุณก็จะได้รับวาจาที่ไม่น่าพอใจอ่ะได้ฟังจากเป็นหมู่ๆ ม, มาในในเรื่องนี้มนมสมัยสมัยพุทธกาลก็มีนะที่ว่ามีมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าอุตเทนนะได้จ้างให้คนมาด่าพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ ด่าก็ใชว่าโอ้โหด่าเป็นมักเป็นเวรด่าเนี่ยด่าสาเสียเทเสียนะพระที่ไหนพระนี่จนพระอายไปเลยไม่กล้าออกไปบินธบาติเนี่ยนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็อยู่แค่7วันเท่านั้นเองนะทีนี้คนที่ได้รับตรงเนี้ยคนที่ถูกด่าเนี่ยก็คงจะต้องอดทนล่ะการด่าตรงนี้มันก็ยังไงก็มีที่สิ้นสุดนะนะแล้วเรามี<ช>พระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งยังไงมันก็ผ่านพ้นอดทนผ่านไปกันได้อยู่ สแล้วถ้าคนด่าเราเงี่ยเราจะทำยังไงดีคะนั้นะเอ่อคนที่ด่าเราเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีด่าเวลาสมมติว่ามีคนด่าเราอย่างเงี้ยอ่าไม่มีใครชอบให้ใครด่านะคะแต่ก็ อ, อยู่ในสถานการณ์ที่ยังไงก็หนีไม่ได้จะทำอย่างไรดีถึงจะทำให้เราเสียหายทางจิตใจน้อยที่สุดอะค่ะเอ่อพระเจ้าก็แนะนำให้อดทนนะภิกษุเนี่ยในธรรมะวันนี้เป็น ผู้ที่อดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกาศในอันะดับแรกเนี่ยเราต้องอดทนก่อนนะเพราะว่าถ้าเราโกโรธนะคุณยมติ๋วจะมีอันตรายมากๆเลยนะเพราะถ้าเราโกโรธเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าวาจาที่เขาพูดมาเนี่ยเออเป็นจริงหรือเป็นเท็จแต่เป็นสุภาษิตหรือเป็นทุพภาษิตอันนี้เราจะไม่รู้ก่อนนะแล้วข้อที่2ความโกโรธที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยนะมันจะเผาตัวเราเอง นะทีนี้พอมันเผาตัวเราเองแล้วสิ่งที่จะตามมาประการที่3ก็คือว่าการตัดสินใจอะไรเราจะผิดพลาดไปหมดเลยนะการพูดการคิดกันทําอะไรก็แล้วแต่จะผิดพลาดไปหมดเลยนะเพราะว่าการที่เราถูกเผาล้วจิตเราร้อนแล้วนะจิตเราร้อนตอนแรกคุณได้รับโทษแล้วอันหนึ่งนะนะนี้คือข้อที่2ข้อที่3คือคุณตัดสินใจก็ผิดพลาดอีกยิ่งจะนําความผิดพลาดใหญ่หลวงต่างๆตามมานะทีนี้เราต้องอดทนนะไม่ให้จิตของเราเยอยู่ในแดนลบ ไม่ให้จิตของเรานี่เข้าไปอยู่ในความโกรธนะทีนี้พอเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาตอบสนองยังไงพิจารณาตัวเองนคะือบางทีพูดมาเขาพูดมาก็เป็นความจริงอยู่นะนะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนที่เป็นความจริงเรารับไว้เราแก้ไขนะไม่ใช่ว่ามันเอายกทิ้งทั้งหมดนะหรือคนจะตัดสินใจอย่างนี้ได้คุณต้องเป็นจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นจิตใจที่เรียกว่ากว้างเป็นใจกว้างใจโอปามารีทีนี้ถ้าเราจะ จะทำนี้ได้นะก็คือพูดเฉยๆมันง่ายนะคุณยมติวเนี่ยหรอไหมอ่า ค, คนไม่ได้โดนจริงๆเนี่ยคุณถูกด่าเข้าจมาทีคนลุกสู้เลยมันโกรธ อ, อย่างเงี้ย น, <c oughs> นะอืมคนจะทํำนี้ได้พระเจ้าก็พูดถึงเมตานี่แหละนะว่าถ้าเราจเจริญเมตตามาแล้วแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่คือหมายถึงว่าคุณทํามาอยู่แล้วนะคือพอคนเราเนี่ยมันจะพลาดตรงนี้ว่าแหมพอเราจะโดนอะไรสักอย่างเด้งหนึ่งเนี่ยเราดันไป ไปรอตรงนั้นแล้วก็ค่อยแก้ตรงนั้นคือเราเข้าใจนักเสียว่าวัวหายล้อมข้อก่น ค, คือเราจะไปค่อยแก้ตอนที่มันจะปัญหามันเกิดแล้วไม่ใช่ไม่ได้แล้วเราต้องเตรียมการไว้ก่อนตั้งแต่ปัญหายังไม่เกิดแตปัญหานี่มันจะต้องเกิดแน่เราเตรียมการไว้ก่อนเตรียมอย่างไรกันะ่ะตรงนี้แหละให้มีเมตตาก่อนแตคือถ้าเรามารอให้ทําจิต ต, ตอนมีเมตตาตอนที่ความโกรธมันขึ้นเนี่ยมันยากแต่มันจะไม่ได้ผลพระเจ้าให้มีเมตตามาแล้วอยู่แต่ก่อน ในะบทเรียนนะี้ตรงนี้ก็คือว่าให้มีมาก่อนแล้วนะแล้วก็พอเรามีมาก่อนแล้วเนี่ยอ ะ, อะไรมากระทบเนี่ยเราก็จะสบายใจอยู่ได้สามารถอดทนไดนะ้คนที่อดทนต่อวาจารยับคลายไ ร, ร้กาศคนที่าวาจาอะไรต่างมันมากระทบเราเนี่ยเราก็จะไม่มีทางที่จะขุนเคืองขัดเคืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเปรียบเทียบเหมือนกับแม่น้าเจ้าพระยายอย่างเงี้ยมีน้ำมากจริงเลยนะใครจะเอ า, เอาไฟนะเช่นเอาไฟแชกหรือว่าเอา ไม้ขี่อย่างเงี้ยไปจุดให้มันเดือดร่านร้อนจัดเนี่ยไม่ได้เลยเป็นไปได้ยากมากคือเป็นไปไม่ได้เลยว่า <c oughs> งันเถอะเปรียบเทียบกับติดของเราถ้ามีเมตตามาแล้วอยู่แต่ก่อนนะอะไรมันจะมาจุดให้มันติดไฟลุกฟู่ขึ้นมาเนี่ยมันทําไม่ได้ประเด็นคือเราต้องทํามาก่อนนะไม่ใช่มารอวินาทีสุดท้ายไม่ได้เลย <c oughs> ตรงเนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องต้องเตรียมการเอาไว้นะคนที่เตรียมการเนี่ยชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทยมติュー คนที่ประมาทนี่คือคนที่ไม่ได้เตรียมการเอาไว้นะพอถึงเวลาปุ๊บโอ้โหเปนเดือดเป็นร้อนเลยวิ่งพลานเหงื่อแตกนะเป็นผู้งุนงงหลงไหลผู้ชาววังนี้นะตีอกรําให้ถ้ากว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเตรียมไว้แล้วโอกาสที่เกิดอย่างนี้จะไม่มีอสิ่งสิ่งที่มีกระทบมันมาแนนะ่มาแน่แล้วจิตของเราจะไม่จิตจาดหัวหวาเปล่งปรั่งออกมาไม่เป็นนะถ้าเรามีการเตรียมไว้ ถ้าถ้าเป็นเราก็เป็นนิดๆหน่อยๆนะเป็นบ้างมันาจจะจีบบ้างก็ดับได้ทันแตนะ่มันอาจจะฮึมๆบ้างแต่จีเราก็สามารถยังตัดสินใจได้ดีอยู่อย่างเงี้ยนะ อ, อ, อันนี้แต่มาต้องคุณยมติวถามเรื่องนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราต้องเอาชนะความกโกรธความร่าร้อนวาจาหยาบคายเป็นต้นเนี่ยด้วยความไม่กโกรธ ด, ด้วยความเย็นด้วยวาจาสุภาพนะเขาด่าเรามาเราด่ากลับมันมันไม่มีทางจบ แลเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมเก่านะใครๆก็สอนองนีนี่ผู้ด้วยวจนะผู้เจ้านะเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมเก่าไม่มีทางที่จะจองเวนแล้วมันจะไปจบกันได้นะเราต้องเราต้องให้อภยัยเราต้องมีเมตตาก็ก็ผ่อนผันไปอะไรไปก็ค่อยๆแก้กันไปนะทีนี้ว่าของมันเสียอยู่แล้วอ่ะสมมติเขาด่าว่าเรามานะคุณยมติวของมันเสียแล้วนะไอ้วาจาที่มันเหม็นๆออกมาเนี่ยนะ เราจะเอาน้ําเสียไปล้างเนี่ยไม่ได้เลยแต่ยิ่งเราพูดไม่ดีออกไปนี่ยิ่งเป็นน้ําเสียมันจะยิ่งทําให้สิ่งต่างๆนี่ยิ่งเละเทะเลอะไปหมดเลยอ่มาเคยยกตัวอย่างน้ําท่วมครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมเดินนะจุด น, ดนี้บางจุดในกรุงเทพมหานคะรก็ท่วมกันนะซึ่งซึ่ ง, งถ้าเราจะเอาน้ําเสียมาล้างเนี่ยเวลาน้ําท่วมเนี่ยถามคนที่น้ําท่วมดูก็ได้เขาไม่ได้เอาน้ําโสโครกอะไรพวกนี้มาล้างนะเขาต้องเอาน้ําดีๆมาล้าง เช่นเดียวกันสิ่งเสียเมันมีอยู่รอบตัวเราเนี่ยคนนี้ก็พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างงี้ทีวีบ้างหนังสือพิมพ์บ้างเนี่ยถ้าเราจะพูดไม่ดีออกไปอีกนี่ยิ่งเสียกันหมดเราต้องพูดดีๆะคนอื่นไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนคนอื่นจะทาชั่วฉันจะทําดนะีให้เรามีเครื่องขูดกราอย่างเงี้ยเราจะไปได้เราจะไปรอดเราจะไปสูงค่ะจริงๆแล้วฉันเห็นว่าที่ท่านพูดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า คนเราบันทีคนอื่นนะน่าโกรธสำหรับเราแล้วก็เป็นคนน่าโกรธจริงๆซะด้วยแต่พอพอเราแก้เขาไม่ได้วิธีนี้น่าจะดีคือมาแก้ที่เราใช่แก้ที่ตัวเราเองแต่แล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะเพี่เราตรีมการมาก่อนแค่นั้นเองเรา แผ่เมตตาบ่อยๆเรามีจิตเมตตาบ่อยๆเราเดินไปไหนเห็นต้นมไม้เราก็เมตตาต้นไม้เห็นดินเราก็เมตตาดินเห็นนกเราก็เมตตานกได้แหละคะเอาได้สิท่านค่ ด, ดิฉันถามจริงๆนะคะเดี๋ยวเผื่อว่าเปิดทำแล้วคนอื่นมามองอคนนี้ถ้าทางแปลกเนี่ยกระดินกับต้นไม้พูดด้วยไปหมดเลยค่ะ <S <S คือคือค อ, อาการของการแผ่ส่งความรักความเมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องพูดกับเขานะคือมันเป็นเรื่องของจิตนึงอหรอไหม เพราะนถ้าถ้าเราฝึกไว้ว่าเออเรามีเมตตาอยู่ตลอดเนี่ยถามว่าคุณจะเอาอะไรมาเป็นนิมิตของการทรงไว้ซึ่งเมตตาล่ะถ้าผอว่าเราไม่ได้ทําตลอดเนี่ยเราก็จะถือว่าเราประมาทไป น, นิดนึงแต่ตรงที่ว่าเราจะให้รอให้มันเกิดเราค่อยทํางั้นเราก็ทํามันตลอดเลยนะอะไรก็ตามที่เราเห็นถือว่าเป็นนิมิตแห่งการทรงไว้ซึ่งจิตแห่งเมตตาเนะี่ยแต่าเห็นต้นไม้อา้าวต้นไม้นี่แหละให้จิตเรามีเมตตา mm. แหมเลยเป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ทำยังไงให้ให้เราทรงจิตนี้ไว้ได้ตลอดเราจะไม่พลาดเลยแต่ก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆคือการดูแลตัวเองให้ดีพัฒนาจิตตัวเองให้ดีใช่ใชดีที่สุดอย่างนั้นได้ไหมแล้วก็อย่างต่อเนื่องอย่างอบ่อยๆซ้ําๆย้ำยํำๆเนี่ยคือน้อยๆแต่บ่อยๆนานๆดีกว่าทําครั้งเดียวแต่เยอะๆนึกออกเนาะพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการที่จะ เขาเรียกอะไรคะควบคุมกายวาจาใจอย่ามีสติให้มีสติอยู่เสมอระหว่างกายวาจาและใจอย่างใดพระพุทธองค์ให้ความสําคัญมากกว่ากันคะท่านคะพระเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจมากที่สุดเลยเพราะว่าใจเนี่ยเป็นตัวที่คุมวาจาแล้วก็คุมมือคุมไม้ในะใจคุมหมดเมื่อตอนที่เรามาบอกว่าเออใจเราถ้าร้อนแล้วเนี่ยมือไม้เราคุมไม่ได้แล้วนะคือถ้าใจเราร้อนเนี่ยการตัดสินใจ นะการพูดการคิดการทําอะไรเนี่ยมันจะคุมได้ยากแต่เพดัะนั้นเราต้องรักษาใจตรงนี้เลยอย่าให้มันร้อนบูบ่าฟขึ้นมาอย่าให้มีปัญหาให้เป็นใจที่มีความอดทนมีความเมตตาเราจะไปได้ค่ะแล้วการแทนเมตตาที่ท่านพูดดูเหมือนกับว่าง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเลยนึกมาแต่ในใจเท่านั้นใช่ ค่ะ oh. ที่เชนก็แค่เพียงจะถามท้าว่างั้นรบบนท่านสอนวิธีแผ่เมตตาก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ค่ะอ่าก็จะได้สรุปถึงเรื่องของการแผ่เมตตาท่านผู้เช่าให้ทรงจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาแล้วก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบือเบ้องบนเบื้องล่างแนวทุกทุกทางเสมอนหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเสมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงและก็สามารถเป่าสังไปได้ทั้งสีทิศไม่ยากชั้นใด เพื่นเป็นเรื่องของใจเราทรงุจิตไว้ด้วยเมตตาเนี่ยแผลออกไปแล้วก็แค่นี้เองจบแล้วสบายใจมากคือไม่ต้องไปสนใจว่าบางคนเขาจะบอกว่าทิศเนี่ยไม่ได้มีแค่หกทิศน่าต้องแปดทิศอือบางคนขอให้ใจว่าทั่วทุกทิศอย่างนี้ได้ไหมคะใช่นี่แหละที่สําคัญอยู่ที่ใจเนื่เพราะาทิศทางอะไรต่างมันก็เป็นเรื่องสมมุติเราอยู่ที่ใจแผลไปนี่คือจบเลยเหมือนเป่าเป่าแตรมันดังไปทั่วเลยการแผลเมตตามีอาจท่งอะไรนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วอีกไหมคะ พระพุทธเา้าพูดถึงการที่ทาให้นอนหลับได้สนิทนะ้นอนหลับก็ไม่ฝันร้ายตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนะแล้วก็คนอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อ่ะมนุษย์พวกนี้ก็จะรักเราแล้วก็อันตรายอะไรต่างๆก็จะแพ่วพานผ่านพ้นไปได้นะแคล้วคลาดไปได้เพรางั้นนะจะไม่แพ่ว่านคะ่ะนะคะแคล้วคลาดก็คิดว่าคงเพียงพ อ, อแต่การที่เราจะดำรงตน ตั้ชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วไม่ทำให้ใครก็แล้วแต่มาคิด่ดีกับเราเราจะรอดพ้นในทุกสถานการณ์และสำคัญที่สุดในวันนี้ที่เราพูดกันก็เป็นเรื่องของโทษของการด่าว่ามีมากน้อยเพียงใดอยู่ในช่วงต้นรายการด้วยได้ประโยชน์กันมากทีเดียวนะคะวันนี้เป็นเวลาที่พอควรแก่เวลาแล้ว ช่วงนี้ทราบว่าท่านพิบูลอยู่กรุงเทพถูกไหมคะใช่ไปแสดงธรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจริงๆแล้วก็วันนี้แหละตอนเที่ยงวันที่สิบตอนเที่ยงตรงที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะใกล้ใกล้เที่ยงไปฟังไปพบท่านพิบูลก็ได้ค่ะวันนี้คงจะรบกวนท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนะคะกล่าววาระาการขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเชิญพาท่านฝั่งคะและนั่นก็คือ พระภัยบุญอภิปุณโญจะวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีนะคะซึ่งท่านและหลวงพอ่อทัดเจสะอาดที่เป็นท่านเาวัดของวัดปาดอนหายโศกนี้จะเดินทางมากรุงเทพเป็นระยะระยะนะคะตามที่มีญาติโยมนิมนต์มาให้แสดงธรรมให้มาสอนการปฏิบัติธรรมจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามรายการของเราท่านจะอยู่กรุงเทพหรืออุดรธา น, นีก็จะดาเนินกันไป ตามปกตินะคะสำหรับวันนี้เราขอให้การมีจิตที่เป็นเมตตาแล้วจะทำให้เราดารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างทั้งสันติสุขในตัวเราและสันติสุขกับทุกๆคนที่ได้รับกระแสแห่งความเมตตาจากเราก็นำพาชีวิตของพวกเราทุกคนให้พบ ก, กับความสวัสดีนะคะติดตามพระฟังรายการกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวสวสดีค่ะ